ใจยังมีความกำนัดยินดีของงามยังมีความกำนัดตัดกินใจได้อย่าไปถือว่ามันจะสุขจะสบายจะเล็กจะหนุจะสาวอยู่กอดตามเมื่อความกำนัดยินดีราคาโทสศโมัวหะไม่มีในใจก็เป็นผู้ใหญ่ใจเศร้าเรื่องชั่วเรื่องเสียเรื่อง ดีต่างๆทั่วถึงในทำในพูดในคิดเป็นทางผิด อ, อัดทาประพฤติปฏิบัติน่าเชื่อน่าเลื่อนใส่ตัวของตัวเองก็ชมตัวของตัวว่าใดสละเ <c oughs> ชื่อที่มีอยู่หมดไปใจคนทุกข์เป็นอย่างไรทราบดีในต้องหาคะแนนเสียงจากคนอื่น ไม่ต้องหาใบ ป, ประกาศนิยบัตรมาติดนมาผากว่าเราเป็นพระ อ, ร ห, อรหันต์อรหันต์เราดีวิเศษอย่างนั้นอย่างนี้แต่จิตของตัวเองก็เป็นสันทิฏฐิตัรู้เข้าใจปัจจจตังเฉพาะอยู่ไม่มีใครที่จะรู้จะเข้าใจยิ่งกว่าเราผู้ประกาศนิบัตรมันหมดมันอย่างอย่างไรชาบดีวิเศษภายในใจเมื่อมันหมดแล้ว จะไปหาที่ไหนก็ไปหาเถอะของหมดหาไม่มียังหาอยู่ก็ยังหลองอยู่ท่านจรงไม่หาเพราะท่านเห็นเห็นความบริสุทธิ์เห็นธรรมหมดจะไปหาทําไมมันหมดแล้วหาเท่าไรมันก็ไม่เจออีกนี่คือจิตใจสู่เพื่อปฏิบัติเข้าไปสู่อาจสู่ธรรมจริงจังมันมีความสุขความเยอกเย็น ไม่เป็นเรียนเป็นไทยไปสถานที่ใดทานสุขทานสบายตลอดระยะเวลาตายหรืออยู่ไม่เป็นปัญหาสำหรับท่านพวกเราไม่เป็นอย่างนั้นห่วงอันนั้นห่วงอันนี้เจ็บปวดรวัวล้าขึ้นมาโครคไขยไข้เจ็บเบียดเบียนเขา้าก็ห่วงกลัวจะตายเราเกิดทำไมไม่อยากตาย เกิดแล้วมันตน้องมีแก่มีตายเป็นธรรมดาตอนมันดีมีจิตมีใจไข่คิดทําความดีพิจารณาหาความจริงหรือไม่ตอนมันจะตายไปมันห่งอันนั้นห่วงอัน น, น, น, นี้ก็เพราะมันไม่มีความดีในตัวของตัวถ้ามันมีความดีเพียงพอแล้วมันอิ่มแล้ว เน้นในกับเราทานอาหารก็จะยกออกไปล้างไปเก็บที่ไหนเอาไปเถอะพอเราอิ่มแล้วเอาไว้ก่อมันมีผลมีประโยชน์อะไรพอมันอิม่มมันเต็มแล้วชั้นใดจิตใจของท่านจะเป็นหนุ่มเป็นแ่กาตามถ้าประพฤติปฏิบัติถึงอัตธรรมจริงจังทั้งจึงไม่มีการหวังเรื่องอื่นตายไปก็ไม่ มีอะไรที่จะเสียหายยังอยู่ก็ไม่มีอะไรที่จะได้อีกเพราะสิ่งที่ควรได้ควรละท่านในละไปหมดแล้วสิ่งที่ท่านควรบำเพ็ญในบำเพ็ญถึงทีง่แล้วไม่มีอะไรที่จะดีจะเสียต่อไปอยู่ไปอีกยี่สิบปีแสนปีความดีที่จะวิเศษกว่า น, นี้จะมีหรือไม่มั่นประจักษ์ในใจไม่มีอะไรที่จะ เป็นไปอีกทางละทางน้ำเทนมันมีเท่านี้มันจบเท่านี้อย่างพบค่ะมันจริงไหมมีอะไรที่จะเป็นเรียนเป็นภัยแก่ตัวใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อใครจะเลือ่อมใสหรือไม่เลือ่อมใสนั่นเป็นเรื่องจิตใจของเขาเราเองได้ทําอย่างไรบริสุทธิ์อย่างไรเราทราบอยู่ในใจของเราแล้วตายไปเขาไม่อยาก ฝังยักเผาเขาจะเอาเผาอันลาคอไปหแหลือแรให้กายกาินก้อนี้อะไรเสียหายนี่งนั้เพราะกายอันนี้มันเป็นอย่างนั้นเขาจะไปเผาเผาไปฝังเขาจะเจ็บหรือไม่เจ็บหน้าที่พวงมันดินน้ำลมไฟมันเป็นอย่างไรมันก็จะไปตามหน้าที่พองมันเวทนาสัญญาสังขารยินญานมันก็ดับเวลาจิตออกจากร่างเวลาหมดลม เ้าธาตุทั้งสี่มันก็ไปตามหน้าที่ของมันอีกอะไรมันตายอะไรมันเสียมันหายความบริสุทธิ์ของใจเป็นอย่างไรอันนี้มันตายมีป่าชาที่ไหนท่านตรวจตาที่เจนาทั่วถึงแล้วมีพานังปพลังสูญยังมันสูญไปหมดเรื่องนกิเลสตัณหามหน้าทิฏฐิมันหนึ่งในจิตในใจความอยากความไข่ต่างๆ อยากอยู่อยากตายหมนี้มีพา น, างนังพลังสูญอย่างมันเป็นอย่างนั้นมีพานางังาลังฝุก ข, ขังถ้าหากักมันสูงไปทุกสิ่งทุกอย่างคาว่าสุ่ขังความฝุกนั้นมันมีมาจากที่ไหนเห็นร้อไม่ผู้ทีมีความฝุ่เหนื้สิ่งที่มันถูนเหนื้ผ่าเนื้ขันอันนี้ เรายังไม่เคยเห็นยังไม่เคยเป็นในใจจึงเกิดความสงสัยใฝ่ฝันอยากได้อันนั้นอยากได้อันนี้ได้อะไรมาป้องกันได้หรือไม่เกิดแฉ่เจ็บตายไม่มีทางจะมียานพาหนะสมัยนี้มีจ้าวดดาวเทียมไปที่ไหนก็ขีไปเถอะความแฉ่ความเจ็บ ค, ค, ความตายมันจะต้องแขนคอไปทุกระยะทุกเวลาเป็นเงาติดตามตัวไป ได้อะไรมาจะป้องกันไม่ให้ความแจ็ความตายเกิดมีขึ้นมันเป็นไปไม่ได้มันจะต้องแจีต้องเจ็บต้องตายอยู่ตลอดเวลากายอันนี้ไม่เคยหลงเราจะเถื่อนมัวเมาขนาดไหนได้รับส้มบัตดเจ็บข้องเงินทองมาได้ลูกได้เมียได้ขวัวมาขนาดไหนเถื่อเเถินพอใจมันก็ไม่เคยลืมตัวถึงวันถึงเวลาสีผ่านไปนันก็ไปตามหน้าที่ของมันความแก็บใจตองแจ็เรื่อยไป แกไปสู่กองฟืนกองไฟแกไปสู่เนื้สู่เต่าสู่หลงมันเป็นอย่างนั้นมันไม่สร้างเสียงเราหลงเรื่องของมันต่างหากถ้าเราไม่หลงแล้วมันจริงสุขมันจริงสบายมันจะตายหรือจะอยู่มันไม่มีอะไรในจิตในใจที่จะเห่วงใหญขัดข้องเพราะสิ่งที่ควรละ เราได้ละไปหมดแล้วสิ่งๆควรบำเพ็ญเราได้บำเพ็ญจนเต็มรอบแล้วไม่มีอะไรอยู่ไปดรือตายไปมันจะเสียจะหายจะเกืดจะได้อีกมันคงเส้นคงวามีความเต็นของจิตของผู้ปฏิบัติจอเห็นเด่นชัดในตัวของตัวเองเป็นอย่างนั้นมันจริงสุงอยู่ทุกวันทุกเวลา ทั้งทั้งโลกเขาเดือดร้อนวุ่นวายมือกับหายกันแต่ท่านอิ่มท่านสุขท่านสบายท่านสงบโลกจะเดือดร้อนขนาดไหนท่านเย็นสบายภายในของท่านธรรมะจึงเป็นอย่างสําคัญที่พวกเราท่านควรประพฤติปฏิบัติควรศึกษานามาประดับกายวายจากใจของตัว ไม่ว่าเทราวะไม่ว่านักบวชมีสิทธิ์มีหน้านะที่ที่จะทําได้ใครทําได้คนนั้นเย็นคนนั้นสบายคนนั้นเป็นสุขธรรมะของพระพุทธเจ้าก็าเหมือนกันกับสมบัติของโลกผู้หญิงหาก็ได้ผู้ชายหาก็ได้ใครมีสมบัติก็มีสิทธิ์ที่จะใช้สมบัติอันนั้นในสิทธนักบวชมีสมบัติอันนั้นมีคุณค่า ธนบัตรมีไม่มีคุณค่าไม่เป็นอย่างนั้นผู้หญิงมีไมีคุณค่าผู้ชายมีหรือมีคุณค่าไม่เป็นอย่างนั้นสมบัติของโลกเงินธนบัตรบาทหนึ่งจะอยู่กับเด็ก็เป็นบาทหนึ่งอยู่กับหนุ่กับสาวก็คูอเท่ากูนแก่ก็เป็นบาทหนึ่งเท่ากันธรรมะธรรมสอนสองพระเจ้ากับทำนองเดียวกันถ้ามีธรรมะจะอยู่กับพระกับเนนก่อ วุขสบายอยู่กับคารวาสะสุขสบายและมีสิทธิหาได้เหมือนกันเพราะการพิจารณาธรรมะคือพิจารณากายวาจาใจของตัวไม่ต้องไปหาที่อื่นเพราะกิเลสตัญหามันเกิดขึ้นจากที่นี้ไม่ได้ล้วไหลมาจากที่ไหนถ้าไม่ดูที่นี้ในปฏิบัติที่นี้ไม่ทําที่นี้ไม่ถูกธรรมะไม่เป็นธรรมะ ถ้าคนเห็นคนรู้คนดูภายในของตัวอย่างนี้ใ้เชื่อคนประพฤติปฏิบัติธรรมนะเชื่อต่างๆนานาที่มันพูดมันทํามันคิดขึ้นทํามีสติมันทราบเหมือนกันกับไฟปากไม่เต้นก็ตามเมื่อมันกระเด็นถูกมันจะต้องรู้จักว่าไฟมันร้อนไม่ว่าภาษาใดเป็นอย่างนั้นธรรมดาไฟมันร้อน ย่องกิเลสตันหามานะทิฏฐิสิ่งที่ผิด ท, ท, ท, ที่ชั่วดีในใจถ้าเรามีสติเรามีปรรัญญาเรามีธรรมะทราบอันนี้มันเกิดขึ้นแต่มันชั่วมันเสียทราบจะต้องปัดทิ้งปล่อยทิ้งในยินดีที่จะเก็บรักษาเอาไว้เพราะถึงนั่นเป็นภยัยเป็นอันตรายจะนิดนิดนหน่อยก่อตามท่านไม่ยอมทาไม่ยอมพูดไม่ยอมคิดในสิ่งที่ผิดที่ชั่ว แต่มีสติมีธรรมะสำรักษาของท่านอย่างนั้นพวกเราท่านจึงควรจะ ท, ทํำบาเพ็ญควรศึกษาให้เห็นให้เป็นในจิตในใจของตัวไม่มีอะไรในโลกจะสุขจะสบายจะมีคุณค่าเท่าธรรมะที่เราปฏิบัติที่เรารักษากายวาจาใจของเราให้สงบให้เย็นให้เห็นให้รู้ เพสิ่งอื่นเราหามาได้กว่ามีภัยอันตรายความดีใจกับความเสียใจมันเป็นคู่กันเหมือนกลางวันกับกลางคืนแต่การประพฤติปฏิบัติธรรมระระีิเลสมันไม่เป็นอย่างนั้นมันมีแต่สิ่งที่ดีเท่านั้นสิ่งที่ชั่วที่เสียไม่มีภัยน้ำท่วมไฟไหม้โจรขโมยทลาย ชาจะมารีบออกไปไม่มีเพราะธรรมะมันเป็นนามธมรรมมีอยู่ในใจไปสถานที่ใดจึงไม่ต้องหารถหาเกลียนหาเรือมาใส่มันอยู่ในกายในใจของท่านมันเบามันสบายติดตามไปได้ทุกระยะมันไม่หนักไม่ง่วง คนที่มีธรรมะมันสุขมันสบายอย่างนั้นภัยอันตรายอะไรก็ไม่มีตายระยะนี้ขณะ น, นี้ก็ไม่มีอะไรที่จะเสียใจพราเราได้แล้วเห็นเราเป็นอยู่แล้วเรื่องความสุขความเศร้าของใจไม่มีอะไร <c oughs> ที่จะขัดข้องพร้อมอยู่เสมอนี่เรามาเป็นอย่างนั้นเหมือนกันกับเราทานอาหารอย่างในอิม่ม คนอื่นเขาหยิบยกออกไปก็เสียใจเพราะเรายังทานอยู่ผาดขันยังดืดดดดด่มดมอยู่นี่คนที่หี่วงขี้เหวี่ยงชีวิตของตัวกว่าทำนองเดียวกันเพราะเรานั้นยังไม่ถึงที่สุดจุดหมายปลายทางของธรรมะถ้าถึงธรรมะเมื่อไรคนนั้นไม่มีปัญหาในจิตในใจจะอยู่หรือจะตาย หมดปัญหาทั้งสองฝ่ายจนพยายามฝ <c oughs> ึกลักษาปฏิบัติธรรมะพอเรามีสิท ต, ตายไปแล้วใครจะทำบุญอุทิศให้หรือไม่อุทิศให้จะไปเสียใจอะไรพราะเรายังเป็นอยู่เราทำเอาแล้วพอแล้วนี่ไม่เป็นอย่างนั้นห่วงอันนั้นห่วงอันนี้นมยอยากตายถึงเาตายมาพะจิต ความห่วงความห่วงความติดความข้องนั่นก็โวกวนก่อพบกอชาติอีกต่อไปไม่มีวันเวลาที่จะสุขจะสบายให้ชาดนี้ก็ไม่เอาทานไม่เอาจริงเอาจังให้ไม่ลงมือต่อพืชปฏิบัติไม่รู้อัดเห็นทำชาดหน้าว่าเราจะมีความสุขความสบายความรู้ความเห็นความดีความเด่นมันก็เป็นไปไม่ได้เหมือนกันกับเราไม่มีเงินมีทองในวันนี้วันเมื่อ นันก็ของเก่าพราะเราของเก่าถ้าเราไม่แสวงหาชีวิตของเราจึงเป็นเรื่องสําคัญเรายังมีลมหายใจเป็นอยู่พยายามรักษาคุณงามความดีสมบัติภายนอกที่เราจะนํามาประดับประดาเรื่องเหล่านั้นกายของเราพอได้ยู่ได้อาศัายพอได้มุ่งได้หม เราดูแลรักษาชำระอยู่ทุกวันทุกเวลาเหนีวมากกวาทานอาหารให้เน่ามากกวห่มผ้าเชี่ไฟรักษาอยู่ทุกระยะเวลาเหนื่อยมากกว่พาพาักผ่อนแต่ใจของเราหรอกเราทําไมไม่มองดูทำไมไม่ปฏิบัติไม่รักษาปฏิบัติกายซึ่งเป็นของเน่าของเหม็นของไม่ก <c oughs> ีรังอย่างยืนปฏิบัติไปทไรมารย์ มันก็เท่านั้นแหละไม่มีวันที่จะข้ามจากความตายไปได้มันจะยกวนไปสู่ความตายความเกิอดอยู่เรื่อยไปส่วนปฏิบัติหาในสติปัญญาสอนตัวอยู่สม่ำเสมอใจของเราวันนี้มันสุขมันสบายมันสงบหรือไม่เพราะเหตุ <c oughs> อะไร <c oughs> เราจะตรวจตาพิจารนา แนะสอนตัวรลกเชั่วบำเพ็ญดีอย่างนั้นใจที่เลยถูกบำรุงรักษาด้วยสติปัญญาใจจะมีวันเวลาสงบใจจะมีวันเวลารี้เห็นความถูกความสงบได้ถ้าเราไม่ปฏิบัติตัวของตัวอย่างนั้นมาบ่นกันแต่ว่ามันทุกข์มันยากมันลําบากลาคาลมันหวุนวายขัดข้อง แต่ไม่รักษามันวุ่นวายใครหาความวุ่นวายมาให้มันขัดข้องใครขัดข้องเอาอะไรมาขัดมาข้องไว้ส่งพี่เจนาอย่างของใจรักษาเป็นคู่กันกับกายเมื่อใครไม่ประมาททีนี้พี่เจนาศึกษาธรรมะของพระพุทธเจ้านํามาประพฤติปฏิบัติกายวายาจใจของตนคนนั้น ก็จะมีความสุขความเจริญถึงยังไม่ฝนทุกก็จะไนในตำแหี่งติงตนว่รรราเกิดมาเป็นโมฆะไม่ได้ทำกุ ง, งามความดีอย่างนั้นอย่างนี้พอเราทำไปอยู่แต่เทว่ามันยังไม่ถึงจุดหมายปลายทางวันหลังเราทาต่อก็ไม่ได้ทำมากไม่ลหลายหลวงเทไรมันก็จะสำเร็จรุลวงไป นี่หมายทำอะไรอยากจะให้มันสาเร็จไม่กินอะไรจะให้มันอิม่มไม่ไปอยากจะให้มันถึงมันเป็นไปไม่ได้ธรรมะของพระพุทธเจ้ามันมีเหตุมีผลพวกเราทุกคนจงนำไปศึกษาตั้งหน้าต่างตาเพื่อปฏิบัติเมื่อเราลงมือเพื่อปฏิบัติธรรมะก็จะคุ้มครองรักษาผู้ปฏิบัติ ไม่ตกไปในที่ชั่วคนที่ปฏิบัติธรรมะธรรมะจะนําความสุขมาให้แต่นั้นขอพวกเราท่านทุกคนที่ได้สดับแล้วฟังจงนําไปที่นีที่เจนาศึกษาแล้วลงมือประพฤติปฏิบัติต่อแต่นั้นก็จะมีความสุขความเจริญการอธิบายธรรมะเห็นแบบพอสมควรเจริลาเขายุติเพียงแต่นี้เอาาง